เราจะมาที่นี่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ฟังธรรมะฟังคําบรรยายมามากมายแล้วอาจจะฟังทางทีวีหรือเรียหลังก็ฟังทางโทรศัพท์มือถือฟังทางคอมพิวเตอร์ก่อนหน้านั้นก่อนจะฟังทางซีดีเราฟังมาเยอะซึ่งมันก็ มีประโยชน์นะเพราะว่าทำให้มีข้อคิดสำหรับเตือนจิตเตือนใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฟังมากเท่าไหร่มันก็ยังไ ม, ไม่ช่วยให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้หลายคนเดีย ว, ยวนะฟังเช้าฟังเย็นฟังเช้าฟังเย็น แต่ว่ายังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมที่ยังขี้โกรธก็ยังขี้โกรธเหมือนเดิมที่ยังจู้จี้ขี้บ่นก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าที่ยังใจรอยดื่มตัวบ่อยนี่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะอะไรนะเพราะว่าขาดการปฏิบัติขาดการฝึกฝน หลายคนฟังแล้วก็ออสบายใจเพราะว่าระหว่างที่ฟังเนี่ยใจมันก็ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าอยู่ว่างๆเมื่อไหร่ใจก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงปัญหาการเงินคิดถึงพฤติกรรมของลูกนะคิดถึงความเจ็บป่วยของสามีหรือว่าปัญหาของพ่อแม่ที่ชอบมายืมเงิน พอคิดเรื่องแบบนี้ข้ามันก็หนักอกหนักใจรุ่มร้อนแต่พอมาฟังทมฟังคำบรรยายใจมันมาจดจ่ออยู่กับคำบรรยายมันไม่ไปคิดนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็เลยสบายใจแต่พอฟังเสร็จก็กลับเครียดกับ วิตกกังวลเหมือนเดิมนะอันนี้เพราะว่าขาดการฝึกฝนขาดการปฏิบัติหลายคนก็รู้นะว่าโกรธไม่ดีแต่พอมีอะไรมากระทบไม่ว่าทางหูทางตาก็โกรธทุกทีทั้งๆที่ตั้งใจว่าเนี่ยถ้าเราโกรธเนี่ยนะเราจะกลับมาตามลมหายใจ พอได้ฟังครูบาอาจารย์แนะนําอย่างนั้นหรือว่าเมื่อโกดกดเมื่อใดก็จะกลับมาตามลมหายใจหรือกลับมาภาวนาพุโทโธหรือเตือนใจตัวว่าเนี่ยกดคือโง่โมโหคือบ้าแต่พอโกรธที่ไรนะมันลืมหมดนะไอ้ที่ตั้งใจจะทําหรือคําแนะนําของครูบาอาจารย์ท่านก็สอนดีๆนะ และตอนที่เราฟังเราก็คล้อยตามเห็นด้วยอยากจะทำตามที่ท่านแนะนำแต่พอมีใครมาพูดนินทาหรือทำอะไรไม่ถูกใจโกรธลืมหมนนะพุทโธลืมหมดนะดมมดนะตามลมหายใจแม้กระทั่ง บูบาาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่าไปตอบโต้แต่ก็เห็นด้วยนะแต่พอถึงเวลาก็โต้เถียงโต้แยง้งหรือว่าต่อว่าให้หนักกว่าเดิมเขาว่าหนึ่งเราว่าสองเขาว่าสองเราตอว่าว่าสี่ลืมหมดนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกฝน นะไม่ได้ฝึกให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเน่องที่เรามาเนี่ยที่นี่เนี่ยนะอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่นา น, นุโมทนาเพราะว่าเรามาไม่ใช่แค่มาฟังทำเช้าเย็นนะแต่ว่าเรามาเพื่อจะปฏิบัติ ด, ด้วย แล้วขึ้นชั่วปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างน้อยมันก็ยากกว่การฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วก็ฟังไปในสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยที่บ้านบางทีก็เปิดแอร์ฟังธรรมะไม่มีอะไรมารบกวนอยู่ที่บ้านสถานที่คุ้นเคย มันก็ฟังแค่ช่วงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงบางทีฟังไปก็นั่งเอกเนกไปมันก็สบายแต่ว่าไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับการมาปฏิบัตินะปฏิบัตินี่มันโดยเพาะมาที่นี่เนี่ยมาอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าที่บ้านแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องนะเรียกว่าทั้งวันเลยหลายชั่วโมง รวมทั้งการอยู่ในเรียบทซ้ำเดิมเดินกลับไปกลับมายกมือกลับไปกลับมามันต้องใช้ความเพียรและใช้ความตั้งใจมากและแนนอนก็ต้องสู้กับความเบื่อแล้วก็สู้กับความง่วงเหงาเหานอนสารพัดไม่เหมือนเวลาฟังธรรมที่บ้านนะถ้า ง, ง่วง ก็ลุกไปเดินถ้าเบื่อก็ไปหยิบอะไรมาเคี้ยวมากินมันต่างกันเยอะนะระหว่างการฟังธรรมกับการมาปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะมันก็ยังเหมือนเดิมนะ ยังจู้จี้ขี้บน่นนะยังหุดหงิดนะหรือว่ายังเป็นคนที่เครียดหนัก อ, อกหนักใจรุ้หม อ, อ ก, กุ้มใจเหมือนเดิมเมื่อเรามาที่นีนะ่นั้นก็ถือว่าเรามาทำสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่เราก็ต้องรู้นะว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่นี่คืออะไรบางคนก็อยากจะมาหาความสงบอยากจะมาพบกับความสงบหลังจากที่ฟุ้งซ่านหลังจากที่เครียดมานานจริงเนี่ยความสงบนี่มันเป็นเรื่องรองนะสาหรับการปฏิบัติที่นี่จะให้เป็นผลพลอยได้ก็ได้หรือเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง แต่สิ่งสาคัญอย่างแรกนะที่เป็นจุดเป็นจุดมุ่งหมายการปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็คือความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวหรือการมีสติซึ่งมันก็ต่างจากสมาธินะบางทีหลายคนเวลาพูดถึงความสงบก็นึกถึงสมาธิแต่ว่าความสงบเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับ ทำมะตัวอื่นด้วยเช่นสติปัญญาความรู้สึกตัวเรารู้อะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วเรียกว่ารู้โลกมาเยอะแล้วมาถึงเวลาที่เราจะมารู้ตัวรวมทั้งรู้สึกตัวแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวด้วยมันก็คำคล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ต่างกันอยู่บ้างนะรู้เนื้อรู้ตัวนี่มันเป็นเรื่องของ ความรู้สึกตัวในแต่ละขณะขณะเป็นขณะขณะขณะแต่ความรู้ตัวเนี่ยมความ ม, ามันกว้างนะมันไม่ใช่เฉพาะรู้ตัวเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วก็ไม่หลงไปตามอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธโกรธหูเศร้าตื่นตกใจไอ้อย่างนั้นมันก็เรียกว่าไม่รู้ตัวนะถ้าเกิดว่าเข้าไปหลุดไปในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ย เพราะตอนนั้นมันลืมตัวแล้วแต่รู้ตัวยังมีความหมายกว้างกว่า น, นั้นน ะ, ะเช่นเรารู้ว่าเราเป็นคนมีนิสัยใจคออย่างไรบางคนไม่รู้นะไม่รู้่ตัวเป็นคนขี้โมโหเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชอบคิดและคิดน้อยหรือเป็นคนที่ชอบชอบจู้จี้ขี้บน่น ทั้งที่คนข้างนอก น, นี้เห็นชัดเลยแต่ตัวเองนี่ไม่รู้อันนี้ก็เรื่อไม่รู้ตัวนะแล้วก็เป็นกันเยอะทีเดียวเพราะว่ามันยอมรับได้ยากนะว่าเราเป็นคนที่จู้จี้ขี้บน่นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะหรือว่าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นนะคิดและคิดน้อยมันยอมรับได้ยากเพราะว่า เราต้องการมีภาพนะของคนดีตัวอัตตาเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะว่าเรามีนิสัยแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของคนทั่วไปหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในความรู้สึกของเราด้วยนะที่ดีก็คือว่าเราเป็นคนสงบนะเป็นคนใจเย็นเป็นคนสูภาพ ไม่ชอบดินทาใครหนักแน่นมั่นคงนั่นคือความยากนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นอีกอย่างหนึง่งก็ได้นะรู้ตัวเนี่ยคือรู้ว่าเรามีนิสัยอย่างไรอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นเลยแม้ว่ามันจะเป็นนิสัยที่อาจจะไม่ดีนักในสายตาของเราหรือเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่การที่ รู้ตัวนะอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวที่ลึกซึ้งอย่างวนี้เห่าว่าแต่อนนี้รู้ว่ามีนิสัยใจคออะไรเลยนะรู้ว่าชอบอะไรยังไม่ยังไม่รู้เลยนะนะคนที่เรียนหนังสือนังหานี่เรียนไปถึงมาวิทยาลัยแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ตัวเองนี่ชอบวิชาอะไรถนัดวิชาอะไรเรียนตามเพื่อน แม้กระทั่งคนเรียนหมอนี่ก็ลึกๆก็ไม่ได้เพราะชอบเรียนหมอแต่เพราะว่าถูกคาดหวังว่าต้องเรียนหมอหรือว่าเป็นเพราะคาดนิยมสังคมแวดล้อมแต่ใจจริงอาจจะชอบถ่ายรูปอาจจะชอบทําละครมากกว่าก็ได้ อย่าว่าแตชอบอะไรเลยนะที่เป็นเรื่องของอวิชาการแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเนี่ยเช่นชอบดูหนังอะไรเนี่ยชอบดูหนังประเภทไหนนี่จำนวนมากนี่ไม่รู้นะเ e t f l i x เนี่ยมันเป็นบริการนะให้เกี่ยวกับเรื่องจัดหาหนังภาพยนตร์นาน า, นานชนิด มาให้กับสมาชิกนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเคยทำคล้ายๆแบบสอบถามนะหรือว่าความเห็นนะว่าผู้ชมเนี่ยหรือสมาชิกเนี่ยชอบหนังประเภทไหนให้ติ๊กให้กาให้บอกให้ระบุหลายคนก็บอกเนี่ยชอบดูหนังประเภทที่มัน มีสาระเป็นหนังเกรด A เป็นหนังคลาสสิกไม่ใช่หนังแบบแอคชั่นหรือว่าหนังแบบประเภทเกรด B น็ตฟลิกเนี่ยเขาก็จัดหาหนังประเภทที่ว่านี่มาให้สมาชิกนะที่บอกว่าชอบหนังประเภทนี้ มีการแจ้งนะว่าตอนนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเรามีบริการให้แล้วแต่พรากว่าคนส่วนใหญ่ไม่ดูนะไม่เปิดดูไปดูหนังประเภทอื่นแทนแลาเป็นอย่างนี้กันมากเลยดูทางตลาดนี้เขาเลิกแล้วนะเขาเลิกถามว่าต้องการหรืออยากดูหนังประเภทไหน แต่เขาคอยสังเกตนะว่าสมาชิกเนี่ยเปิดดูหนังประเภทไหนเป็นพิเศษแล้วก็พบว่าในหนังที่สมาชิกดูจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่หนังประเภทเดียวกับที่สมาชิกเนี่ยบอกว่าอยากจะดูะอยากจะดูหนังที่มันเป็นหนังคลาสสิกเป็นหนังมีสาระนะแต่ว่าเปิดดูจริงๆอะ่ะหนังบู๊หนังเกรด B อย่างเงี้ย ตอหลังเขาเลยไม่ถามแล้วแต่เขาอาศัยนะการดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกชอบดูหนังอะไรแล้วมันมีอัลกอริทึมนะที่เขารู้อะแล้วพอเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จัดหานหนังนั้นมาให้แจ้งข่าวให้สมาชิกพรากว่าสมาชิกใช้บริการเงินคับคั่งเลย แปลว่า Netflix เนี่ยเขารู้ว่าสมาชิกต้องการหรือชอบหนังอะไรมากกว่าเจ้าตัวนีสิ่งที่เจ้าตัวระบอว่าชอบหนังประเภทนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ชอบหรอกคิดว่าชอบแต่พฤติกรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังประเภทอื่นแล้วเจ้าตัวก็ไม่รู้นะแต่เน็ตฟลิกเขารู้เพราะว่าเขาติดตามนะว่าสมาชิกเนี่ยจริงๆเราดูหนังอะไรแล้วก็เขาก็หาหนังเหล่านั้นเนี่ยมามาให้สมาชิก ก็เป็นวิธีการดึงลูกค้าเอาไว้นิ่ขนาดเรื่องงนะ่ายๆเลชอบหนังประเภทไหนเนี่ยคนจำนวนมากนี่ยังไม่รู้เลยนะอาจจะคิดว่าชอบเนี่ยแต่ว่าชอบจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือยิ่งกว่านั้นนะชอบหรืออย่างมีแฟนประเภทไหนอยากมีแฟนรูปร่างหน้าตายอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหลายคนนะที่เขา หาคู่เนี่ยทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์สมัยก่อนคนก็ได้คู่ผ่านคําแนะนําของพ่อแม่พ่อแม่หาคู่ให้นะตอนหลังเนี่ยก็เพื่อนๆแนะนําหรือว่าได้คู่จากการที่ทํางานร่วมกันแต่ตอนหลังคนนิยมนะ่ะหาคู่ทางออนไลน์มีบริการนะหาคู่เยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็วิธีการคล้ายๆกันก็คือว่าให้ระบุนะว่าต้องการอยากจะเจออยากจะคบคนประเภทไหนผมสีอะไรส่วนสูงเท่าไหรนะ่ผิวดำขาวอาชีพอะไรระบุละเอียดเลยนะคนก็ระบุไปแล้วเขาก็หาคนที่ตรงกับ สเปกเนี่ยที่ระบุที่สมาชิกระบุนัดเจอกันบอกว่าไม่ค่อยได้ลงเอกันเท่าไหร่นะบอกว่าพอลงเออจริงๆไปลงเออกับคนที่มาไม่ตรงกับสเปกที่ตัวเองระบุเอาไว้เป็นอย่างนี้เยอะเลยนั่นกแ็แปลว่าหลายแปลว่าคนตัวนอร์มัเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองชอบชอบคู่ประเภทไหนแบบไหน ต่อเมื่อเจอบางคนเข้าจึงรู้ว่าเออนี่ใช่มารู้ว่าใช่ก็ตอนเจอจริงๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่ตัวเองเนี่ยเคยคิดหรือเคยระบุเอาไว้ที่นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเชื่อว่าคนรางจริงเนี่ยมันไม่ค่อยจํานวนมากมันไม่รู้ว่าตัวเองแม้กระทั่งชอบเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นชอบดูหนังอะไรชอบแฟนประเภทไหน ยิงถ้าเป็นการเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงจังเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมีหลายคนนะมาหาตามมาเนี่ยมึงหลายคนก็บอกเลยเนี่ยอยากจะฟังธรรมนะคิดว่าตัมมาเป็นเทปนะอยากจะฟังธรรมแล้วให้ตัมมาเปิดพูดไปเลยนะฟังธรรมอะไรอัมมาก็อย่าถามนะอยากฟังเรื่องอะไร แล้วอยทัองลอยน่อึ้งเลยนะตอบไม่ได้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนี่แม้ทังว่าสนใจธรรมะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสนใจธรรมะเรื่องอะไรคิดอยู่นานนะบางทีคิดไม่ออกส่วนหนึ่งก็เพงก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมทำกันบ้านมามาถึงก็ให้ตมาพูดธรรมะ โดยที่ไม่ได้เตรียมการบ้านมาเลยว่าเนี่ยตัวเองอยากจะฟังเรื่องอะไรอีกส่วนนึงเพราะไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือสนใจเรื่องอะไรด้วยนี่ขณะคนที่สนใจธรรมะนะดัองอุตสาห์เดินทางมาไกลเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไรเพราะเรื่องการรู้ตัวเนี่ยมัน เป็นเรื่องที่อย่าไปคิดว่าเป็นญาปากข้องนะคนส่วนใหญ่นี่เรียกว่าไม่ค่อยรู้ตัวหรอกและไม่ใช่เฉพาะรู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ามีนิสัยอะไรชอบอะไรนะยิ่งการรู้ตัวในแต่ละขณะแต่ละขณะยิ่งยิ่งไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เช่นตอนที่ใจลอยเนี่ยหรือว่าตอนที่จมอยู่ในอารมณ์เนี่ยก็ไม่รู้ตัว หรือว่ากำลังมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะคนที่มาหาเนี่ยเคยถามนะอวแต่มาเคยถามตอนนี้รู้สึกยังไงมีมีความรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ตอบไม่ได้ตอบเป็นความคิดไปเลยคนตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยรู้นว่าตัวเองรู้สึกอะไรอันนี้ส่วนหนึ่งก็พ่อไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวด้วยแตาพอไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ มันก็เกิดปัญหาตามมาก็คือจมอยู่ในความทุกข์ง่ายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดกลายเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะลืมตัวแล้วพอเครียดพองุดหงิดพอกังวลนะลึกตื่นตกใจนะ มันก็ยิ่งลืมตัวหนักเข้าไปใหญ่อย่างเช่นคนที่โกรธเนี่ยพอโกรธเนี่ยก็ลืมตัวพูดอะไรไปก็ไม่รู้บางทีก็ใสาอารมณ์กับลูกบางทีก็ต่อว่าพ่อแม่เพราะว่าท่านทำอะไรไม่ถูกใจหรือไม่เชื่อฟังอันนี้เพราะว่าลืมตัวพอมารุกตัวหรือนึกขึ้นมาได้ก็เสียใจนะว่าไม่น่าเลย เมื่อคนเรานี่เดี๋ยวนี้ลืมตัวกันบ่อยนะมีคนกลุ่มหนึ่งนะก็บายกลางคนนี่แหละไปเล่นน้ำทะเลนะแถวภูเก็ตหรือว่าแถวกระบี่เอ่อหรือแถวอันดามันเนี่ยนะส่องดูปลาการังก็มีผู้คนหนึ่งที่เขาชอบดูปลาการังมากเลย เก่อห่วงยางดูประการังใต้ใต้ทะเลพอเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาบนเรือกับเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ก็วัยกลางคนกลังนั่งพักอยู่ในเรืออยู่ดีๆก็มีคนหนึ่งเนี่ยเห็นปาโลมาเป็นฝูงเลยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเลย เพื่อนๆก็เลยโจรลงน้ำํำผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะที่เพิ่งขึ้นมาจากการดูประการังเนี่ยพอเป็นเพื่อนกระโดดลงน้ําตัวเก็กระโดดลงบ้างพอกระโดดไปสักพักก็ตะโกนขึ้นมาว่าเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยกูไหว้น้ําไม่เป็นญิงเขาไม่ไบอกช่วยด้วยนะบอกชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูวไหว้น้ําไม่เป็นไหว้น้ำไม่เป็นแล้วโดดไปทำมาลืมตัวนะเห็นเพื่อนโดดก็โดดบ้าง แต่คนเราไม่ได้ลืมตัวแบบนี้เท่านั้นนะบางทีเราลืมตัวแล้วมันเกิดโทษมากกว่านั้นนะเช่นลงบันไดแล้วลืมตัวใจลอยพัดตกบันไดหรือว่าเข้าห้องน้ำแล้วกำลังใจลอยลื่นถไลไมหัวหัวลม้มหัวฟาดพื้นกระโหลกรล้าหรือบางที เอามาพึกเอาม า, าพาดไปเลยอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะแล้วก็ ก, การจมเข้าไปในอารมณ์เนี่ยก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวนะตอนที่อยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยไม่รู้ตัวซึ่งมันก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยจะให้รู้ตัวตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนนะแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเรานะ มีสติเนี่ยเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวเราก็จะรู้สึกตัวได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันผิดพลาดหรือเกิดโทษทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นแต่เรื่องนี้คนไม่ค่อยสนใจนะคนคิดแต่จะหาความสงบสงบโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรซึ่งมันไม่พอนะ แม้ว่าจะมีความคิดเนี่ยแต่ว่าก็ก็ยังสงบได้ถ้าว่ารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีความรู้เนื้อรู้ตัวจนหลุดจากอารมณ์ได้จนหลุดจากความคิดได้เวลาโปรเนี่ยก่อนที่จะพูดหลุดปากอะไรไปมันรู้ตัวขึ้นมามันไม่ได้แค่นึกถึงคำสอนครูบาอาจารย์นะแต่ว่า เกิดความระลึกได้ในปัจจุบันเกิดความรู้น้อรู้ตัวขึ้นก็เลยหายโกรธขณะที่กำลังเศร้ากำลังหดหู่อยูนะ่เกิดรู้นื้อรู้ตัวขึ้นมาก็หลุดจากความเศร้าวความหดหู่ได้ขณะที่ใจลอยมีสติรู้ทันความคิดเกิดรู้สึกตัวขึ้นมากอนไมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้มก็ทำให้เราพบกับความสงบได้นะ แม้ว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนหลวงปู่เจี้ยท่านพูดไวเดียนท่านบอกว่าเนี่ยสงบอยู่คนเดียวนในที่เงียบเนี่ยนะมันไม่ใช่ความสงบที่แท้นะมันต้องแต่สงบท่ามกลางความเป็นไปของโลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวหรือมีความแปรปรวนนนะ คือความสงบที่แท้จริงสงบแันนี้ได้มันต้องมีมีสติมีความรู้สึกตัวนะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการฟังธรรมเยอะๆบ่อยๆแต่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยการลงแรงนะต้องเจอความเมื่อยต้องเจอความง่วงต้องเจอความเบือ่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะสอนให้เรามีสติรวมทั้งความคิดฟุง้งปรุงแต่งต่างๆ ถ้าเราไม่คิดไปกดไปห้ามมันนะมันก็สามารถจะสอนให้เราสอนให้มีสติเร็วมีสติรู้ทันความคิดได้เร็วแต่ก่อนที่จะไปรู้ทันความคิดนะก็ให้มารู้กายก่อนนะเวลาเดินเนี่ยก็ให้รู้ตัวว่าเดินเวลายกมือก็ให้รู้ตัวว่ายกมือตอนนั้นมันจะรู้สึกนะว่ามือยกกายขยับเท้าขยื่น อันนี้เรารู้กายนะก็เป็นความรู้ตัวแบบหนึง่งต่อไปมันก็จะไปรู้ความที่รู้อารมณ์ก็เป็นการรู้ตัวอีกระดับหนึง่ง